ก็บอกโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เละหมดแล้วทัา้างนี้นะเจริญกรุณาให้ตัวเองให้มากๆเถอะเนี่ยนะว่าเจริญว่าไงขอเราพึงทนจากโศกะปริเทวะทุกโทมาัาและอุปายาตตลอดไปอยู่เถิดเนี่ยนะบอกตัวเองอธิฐานให้แบบตัวเองแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมขอเราพึงเจริญ ง, งอกงามในคําสอนของพระพุทธเจ้าตลอดไปอยู่เถิดกลับไปสวดมนต์ทำวัดเย็นคิดให้มันทุกคำเอาตามนั้นแหละวนะ่ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวนะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพเจ้ากลับไปคิดให้มันทุกคำนี่แหละแล้วลค่อยเอาใหม่ค่อยมาเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่บอกว่าที่ไหนบอกชําระสารณะขมให้ตัวเองให้ ดีๆถ้าชำระสารณคมดีๆแล้วจะรู้อ้พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสคําใดคํานั้นเป็นสวากขาโตภควาตาธรรมโมสิ่งนี้เป็นพระพุทธพจน์จริงหรือสิ่งนี้เป็นพระพุทธพจน์จริงหรืออันนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องมากําหนดเกล็ดจำแล้วก็ใส่ใจถ้าสิ่งใดเป็นพุทธพจน์ไม่ต้องห่วงหรอกพุทธพจน์นี้มีรสเดียวคือเวมุติรสเนี่ยนะรสเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นจากวัฏทุกพ้นจากสังขารทุกข์พ้นจาก วัตถทุก์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะถ้าเรากําหนดจดจําพระพุทธพจน์ถึงได้มากได้น้อยก็เป็นยาโอสถเป็นโอสถที่นําออกจากทุกพระองค์จึงบอกว่าเพราะเหตุนั้นแหละเพราะเหตุไหนเพราะเหตุที่บุคคลเนี่ยนะบุคคลผู้เรียนเรียนคําสอนเรียนนิสรณธาปริยัติเนี่ยนะเรียนปริยัติเพื่อนําออกจากทุก์ เมื่อเรียนแล้วก็ไตรตรองเมื่อไตรตรองด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นซึ่งเป็นความจริงเน่นะก็จะปรากฏชัดแก่ผู้ที่ไตรตรองเพราะนั้นเมื่อเรียนตามนั้นแล้วก็กําหนดจดจำตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามเขาเรียกว่าปริปุตรษาสอบสวนหาข้อมูลจนเพียงพอแก่ความเข้าใจไม่ต้องรีบปฏิบตัติเพราะความเข้าใจนั่นแหละคือตัวปฏิบตัติเข้าใจเท่าใดก็ปฏิบัติเท่านั้น ถ้าเข้าใจเท่าใดก็เลิกโกรธเท่านั้นถ้าเข้าใจเท่าใดก็เลิกโลภเท่านั้นถ้าเข้าใจเท่าใดก็ปัญญามากเท่านั้นหายโง่เท่านั้นความเข้าใจนั่นแหละเป็นตัวปฏิบัติพ่านตัวปฏิบัติจึงเป็นความรู้ความเข้าใจเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจความจริงเท่าใดปฏิบัติได้มากเท่านั้นเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะมีอุปมาด้วยทุ่นแก่ท่านทั้งหลายทุ่นก็คือแพรนะ เราจะแสดงธรรมที่เปรียบเทียบอุปมาประดุดแพแก่ท่านทั้งหลายเพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการจะยึดถือท่านทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจเอาไว้ให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะถ้าทำคํำสอนของพระองค์นี่เปรียบเหมือนรุ่นเหมือนเปรียบเหมือนทุน่นเหมือนแพรซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกล พบห่วงน้ำใหญ่ในฝั่งข้างนี้เนี่ยนะก็หมายความว่าเป็นประเทศที่กันดานแห้งแล้งธุรกันดานเหลือเกินเนี่ยนะต้องเดินเดินทางไกลาจากฝั่งนี้นะก็ไปพบห่วงน้ำใหญ่เข้าที่น่ารังเกียจมีภัยตั้งอยู่เฉพาะหน้าแต่ฝั่ ง, งโน้นเนี่ยกเกษมไม่มีภัยก็แหละเรือหรือสำหรับสะพานเพื่อข้ามไปสู่ฝั่งโน้นไม่เพึยงมี อันนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อเกิดเมื่อทุกวันนี้ก็ยังน่ายังเกิดอยู่ก็คือว่าอยางประเทศประเทศแถบตะวันออกกลางเนี่ยนะหลายประเทศมันเป็นประเทศที่มีสงครามเนี่ยมีมาตลอดสงครามเป็นทั้งยืดเยื้อเนี่ยนะมันแล้วแผ่นดินประเทศชาติมันก็แห้งแรงนะเป็นทะเลทรายอดอยากแห้งแรงมากเขาเชื่อว่าฝั่งฝั่งแถบไหนที่อุดมสมบูรณ์เขาบอกว่าแถบออสเตรเลียเนี่ยแถบออสเตรเลียแถบหลายๆแห่งเลยแหละ มีอาหารการเป็นอยู่การครองชีพสวัสดิการเป็นต้นดีมากเขาเลยคิดว่าต้องการที่จะข้ามจากฝั่งตะวันออกกลางไปสู่ฝั่งออสเตรเลียเป็นต้นเนี่ยนะก็พยายามพวกนี้ก็ลักเป็นกลุ่มชนที่ลักลอบหนีเข้าเมืองนะเป็นกลุ่มชนที่ลักลอบหนีเข้าเมืองนะและไอระหว่างลักลอบหนีเข้าเมืองเนี่ยนะบางทีก็กองทัพนั้นก็มายันผลักดัานไอพวกนี้อยากเข้ามาเ ข, าเขตประเทศนี้เนะนี่ยนะมันพวกนี้ก็อดอยากตายกันคาเรือคาทะเลนี่เยอะมากเลยนะ ซึ่งเมื่อไม่นานนี้ก็ยังพอมีอยู่ข่าวคราวอันนี้ก็ยังมีเรื่อยๆนะพยายามที่จะเรียกว่าวข้ามจากเรียกว่าฝั่งกันดานคิดว่าที่อื่นที่มันกเกษมแล้วก็ปลอดภยัยอันนี้นี่เป็นเรื่องราวที่มีอยู่ในโลกในปัจจุบันแต่ในทางคําสอนมันก็มีอยู่ฝั่งนี้คือวัตตะฝั่งโน้นคือวิวัตตะฝั่งนี้คือสังขารธรรมคือชาติชราและมรณะฝั่งโน้นก็คือพระนิพพานนะฝั่งโน้นก็คือพระนิพพาน ถ้าหากว่าไปถึงฝั่งโ น, น้นแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนแต่ฝั่งนี้มีแต่ภัยเนี่ยนะสารพัภัยที่มีอยู่ในโลกจะข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโ น, น้นได้อย่างไรนี่พอไปถึงเข้าเอาเรือก็ไม่มีสะพานก็ไม่มีเพื่อจะไปสู่ฝั่งโน้นทำไงดีเนาะรู้นะว่าอะไระชาติชารามรณะเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไมความดับชาติชารามรณะนี้เป็นสุขและจะข้ามจากชารามรณะไปสู่ธรรมที่ดับชารามรณะ ได้อย่างไรเอาอะไรเป็นเรือเป็นเป็นเรือเป็นสะพานเป็นแพเพื่อที่จะข้ามจากฝั่งสังคตะธรรมไปสู่อาสังคตะธรรมฝั่งข้ามจากชรามรณะไปสู่ธรรมที่ดับชราและโมรณะก็เลยมีความคิดอย่างนี้ขึ้นว่าห่วงน้ำนี่ใหญ่หวงน้ำนี่ใหญ่แลฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจมีภัยตั้งอยู่เฉพาะหน้า ฝั่งข้างโน้นเกษมไม่มีภัยก็แหละเรือหรือสะพานสำหรับข้ามไปสู่ฝั่งโน้นก็ไม่มีถ้าไครเราพึงรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นทุ่นเนี่ยนะมาผูกเป็นทุ่นเนี่ยนะแล้วอาศัยทุ่นนั้นพยายามด้วยมือและเท้าเพึงข้ามถึงฝั่งได้โดยความสวัสดี แล้วก็รวบรวมใช่เอาทุน่นเอาทอดไม้เอาต้นกล้วยเอาอะไรมาผูกมามัดเข้าก็เรียกว่าพอที่นี้ก็ใช้มือใช้อะไรหาไม้หาอะไรดันตัวเองข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นจนประสบความสำเร็จถึงฝั่งน้นนะข้ามถึงฝั่งล้ะทีนั้นแหละบุรุษนั้นรวบรวม หญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้มาผูกเป็นทุ่นอาศัยท in ุ่นนั้นพยายามด้วยมือด้วยเท้าเพ่งข้ามถึงฝั่งโน้นโดยความสวัสดีบุรุษนั้นข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแล้วก็มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าทุ่นนี้มีอุปการะแก่เรามากทุ่นนี้ดีจริงๆถ้าไม่มีทุ่นนี้จะข้ามฝั่งได้ไหมไม่ได้ทุ่นนี้มีอุปการะแก่เรามากอาเราอาศัยทุ่นนี้พยายามอยู่ด้วยมือด้วยเท้าข้ามถึงฝั่งโดยความสวัสดี ถ้าการะไรเรายกทุนนี้ขึ้นบนศีรษะหรือแบกไปที่บ่าแล้วก็หลีกตามความปรารถนาะเมื่อถึงฝั่งแล้วขอแบกแพ้ตามไปด้วยเลยเนะเอาไหมแพที่ใช้กิ่งไม้ใบไม้ใช้ท่อนไม้ใช้อะไรมารวมกันแล้วแบกอันนั้นเนาะโอ้ยมันอมน้ําขนาดไหนนะถ้าแบกกันตามนั้นจริงก็หนักตายเลยนะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนบุรุษนั้นผู้กระทําอย่างนี้ จะเชื่อว่าทำถูกหน้าที่ในทุนนั้นบ้างหรือหนอถือว่าคนเก่งเลยใช่ไหมพิสูจนทั้งหลายกราบทูลว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าพิกูุนทั้งหลายก็บุรุษนั้นกระทําอย่างไรชื่อว่าทำถูกหน้าที่ในทุนนั้นทํอย่างไรได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องพิสูจนก็ตอบว่าในข้อนี้บุรุษนั้นข้ามไปสู่ฝั่งแล้วเพึงดมฤติอ ย, อย่างนี้หรือมีความคิดขึ้นว่า ทุ่นนี้มีอุปการะแก่เรามากแลเราอาศัยทุ่นนี้พยายามอยู่ด้วยมือด้วยเท้าจึงข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดีท่ากระไรเราพึงยกทุ่นนี้ขึ้นวางไว้บนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ำแล้วก็หลีบไปตามความปรารถนา นะเพื่อพิสูจนที่บอกว่าเออเนี่ยที่ถูกควรจะเป็นอย่างเงี้ยนะอย่างแกงก็ยกไว้บนบกซะหรือไม่ก็ปล่อยไปก็แล้วแต่ทุ่นอ่ะนะเพราะว่าทุ่นก็มีอุปการะมากทุ่นเนี่ยมีไว้สําหรับข้ามฟากไม่ได้มีไว้ให้แบกให้แบกไปถึงบกแล้วแบกทุ่นออกต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นภิสูจนทั้งหลายบุรุษนั้นกระทําอย่างนี้แลจึงจะชื่อว่ากระทําถูกหน้าที่ในทุ่นนั้นฉันใดพิสูจนทั้งหลาย เราแสดงธรรมะคือแสดงพระไตรปิฎกแสดงปริยัติธรรมนะนะมีหรือแสดงสมถาวิปัสสนามีอุปมาด้วยทุน่นคือพระพุทธเจ้าแสดงสมถาวิปัสนาเนี่ยนะมีอุปมาด้วยทุ่นเพื่อการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการยึดถือเอาไว้ฉะนั้นคําว่าสมถะเนี่ยนะก็คืออะไรอธิศีนอธิ จ, จิตเป็นสมถะอธิปัญญาเป็นวิปัสนาพันธแสดงสมถาวิปัสนาเพื่อการสลัดออกไม่ใช่เพื่อการ ยึถือเธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมะมีอุปมาด้วยทุ่นที่เราแสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลายพึงละแม้ซึ่งธรรมทั้งหลายพึงละแม้กระทั่งสมถะและวิปัสนาจะป่วยกล่าวไปใหญถึงอธรรมคือมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเล่าขนาดปัญญายังไม่ให้ยุดเลยจะพูดทําไมมิจฉาทิฏฐิทําไมบาปอากุศลธรรมเล่าว่างั้นอธิบายโดยลําดับตามอัตถกะถาว่า หน้าสามเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับผู้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะกุลลูประมังแสดงธรรมเปรียบเหมือนทุ่นใช่ไหมกุลลูประมังเนี่ยเหมือนทุ่นนิสรณ์ฐานะเพื่อประโยชน์แก่การข้ามโอคะสพระพุทธเจ้าแสดงสมถวิปัสนาเนี่ยนะเปรียบเหมือนทุ่นเพื่อข้ามกามโมคะข้ามพะโวคะข้ามทิทโถโคะข้ามอาวิชโชคะเนี่ยนะ มันก็เพื่อที่จะข้ามสังสารวัตรเนี่ยนะข้ามอะไรข้ามแ ส, แสดงสมถาวิปัสนาเพื่อข้ามจากชรามรณะไปสู่ธรรมที่ดับชรามรณะธรรมที่พ้นจากชราและมรณะนั่นเองก็ทำทุน่นบทว่าธรรมโมปิโวปดาตภานิเอนีธรรมทั้งหลาย ทำทั้งหลายเป็นชื่อของสมถะและวิปัสนาบทความตอนท้ายใช่ไหมเธอทั้งหลายพึงรู้ธรรมมีอุปมาด้วยทุ่นที่เราแสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลายพึงละเมสซึ่งทำทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอัตธรรมเล่าพึงละแม้แต่ธรรมเนี่ยนะธรรมมาปิโวปทาตพานเนี่ยนะธรรมะคือสมถะและวิปัสนาคือจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ละตัดฉันทราคะทั้งในสมถะและ วิปัสนาหน้าสเนี่ยนะทีนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะจริงๆแล้วข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนทำมุ่งให้ละแม้กระทั่งฉันทะาาในสมถะเละวิปัสนาทีนี้ก็ยกมาว่าในพระสูตรต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ละสมถะที่ไหนสอนให้ละวิปัสนาที่ไหนก็ยกข้อความต่างๆมาให้ฟัง อย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนให้ละฉันทราคะในสมถะว่าดูก่อนอุทายีเพราะเหตุนั้นแลเรากล่าวการละแม้เนวสัญญาณาสัญญายาตนะดูก่อนอุทายีเธอไม่เห็นสังโยชนอันละเอียดหรือหยาบที่เราไม่ได้กล่าวในการละเอาไว้เพราะฉะนั้นให้ละในสังขารธรรมทุกชนิดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ายกตัวอย่างว่าให้ละฉันทราคะในเนวสัญญาณาสัญญายตนะไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเหมือนกันนอะไม่ต้องพูดถึง ปริตมหคตะกามาวจรรูปาวจรขนาดอารูปาวจรที่ยอดของอรูยอดของสังขาระตะยอดของวัตะเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังสอนให้ละไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นที่ไม่สอนให้ละั้นทาว่าละเนี่ยหมายว่าให้ตัดฉันตราคานะบางคนนี่มันเข้าใจผิดขาดความรับผิดชอบก็เลยเอาคําตรงเนี้ไปบอกว่าละเนี่ยอุ้ยศีลก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นวันบ่ายแล้วเหงวก็ทานไปเถอะเอางี้นี่เกินไปนะนี่พวกนี้เนี่ย เขาเรียกว่าพวกเจริญวจีทุตเจริญไม่เป็นไปตามธรรมวินัยและคําสอนมันก็วิธีพูดธรรมะนี่ต้องพูดให้ดีๆนะไอ้คาว่าละเนี่ยไม่ใช่ว่าอ้างคําว่าละแล้วก็จะได้ประกอบในการทําชั่วขนาดดียังไม่ยุดจะกล่าวไปใหญ่ถึงความชั่วร้ายแล้วอ่างั้นน ะ, นะในบางสูตรพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนให้ละฉันทาคะในวิปัสสนาเช่นพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลาย หาพวกเธอไม่พึงเกาะไม่ยึดถือทิฏฐินี้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทิฏฐิที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นชื่อของวิปัสสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ยึดไม่ถือในทิฏฐิที่บริสุทธิ์ผุดผ่องคือวิปัสสนาเนี่ยนะอนุปัสสนาทั้งหลายก็ไม่ ย, ยึดเขาบอกว่าโอ๊ยเบื่อหน่ายในวัตฏะเบื่อหน่ายแม้กระทั่งวิปัสสนาที่เบื่อหน่ายในวัตฏะพระอรหันฉันทาคะในวิปัสสนาอันนั้นด้วยเนี่ยนะ แต่ในอะระคทูปมะสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ละทั้งราคะในสมถะและราคะในวิปัสสนาที่พระองค์ตรัสว่าแม้ธรรมทั้งหลายพวกเธอก็ต้องพึงละเนี่ยนะจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอธรรมแล้วใช่ไหมสมถาวิปัสสนายังสอนให้ละไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นหรอกไม่ต้องพูดถึงอภิชาและโทมนัตหรอกว่างในข้อนั้นมีอธิบายเพิ่มว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เรากล่าวการละฉันทราคะในธรรมคือสมถาวิปัสนาอันสงบและประนีตนี้จะป่วยกล่าวไปยัยถึงอสัตธรรมคือมิจฉาทิฏฐินี้ซึ่งเป็นของชาวบ้านหรือว่าอสาัตธรรมคือเมถุนนี้ซึ่งเป็นของชาวบ้านเป็นของคนถอยเป็นของชั่วยาบเป็นธรรมอันเลี้วไหลซึ่งอริฏฐโมฆะบุรุษนี้สําคัญว่าไม่มีโทษกล่าวฉันทราคะในการมคุณห้าว่า เป็นทําไม่สามารถทำอันตรายไม่อาจทำอันตรายพวกเธอไม่พึงเป็นเช่นกับอริ t h ภิกษุใสโครนหรือขยะอยากเยื่อลงในาศาสนาของเราอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นอริษ h เนี่ยเอาปะปนกันใช่ไหมปะปนกันให้ยุ่งไปหมดเลยเอาสมถาวิปัสนาไปปนกับอภิชาและโทมนันเอาสมถาวิปัสนาไปปนกับ มิจฉาทิฏฐิไปปนกับบาปปนอกุศลปนทางแห่งวัตตะกับวิวัตตะคละเคล้ากันไปหมดเลยอันนี้มันใช้ไม่ได้ว่บนั้น